จะเจริญพรทุกๆ ท, ท่านพวกเราพอนามก็ดีขึ้นอ่ะนะเวลาเราปฏิบัติแรกๆมก็ดูยากพอทำไปสักช่วงเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อต้องการสื่อแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากอะไรหรอกมันยากมากเลยกว่าที่คนคนหนึ่งจะรู้ตัวขึ้นมานะลวกว่า จะรู้จักวิธีเดินปญัญญาเห็นขันมันแยกออกไปแต่พอจิตเราตั้งมัน่นขึ้นมาจริงๆรู้เน้รู้ตัวขึ้นมาจริงขันมันแยกแล้วเนี่ยการปฏิบัติไม่ยากเราไม่ได้ทาอะไรจิตมันเป็นคนเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันมันเรียนของมันเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเรียนมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมานะ มันแจ้งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกทุกวันนี้มันมีตัวเรานั่ก็มีสิ่งที่รองรับความทุกข์ร่างกายคือตัวเราร่างกายแก่เราก็ทุกข์ร่างกายเจ็บเราก็ทุกข์ร่างกายตายเราก็ทุกข์เรายึดถืออยู่ในจิตในใจนะที่จิตพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ ม, มีความทุกข์ จิตเราได้เจอของที่ไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ไม่รักก็มีความทุกข์มันมีเรามารองรับนะถ้าภาวนาปัญญามันเกิดแล้วเบื้องต้นเห็นว่าไม่มีเราการภาวนามันไม่มีอะไรมากเลยเป็นเรื่องไม่ยากอะไรยากตอนต้นนะกว่าจะเริ่มถูกนี่พอเริ่มถูกแล้วใช้เวลานิดเดียวนะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูท่านสแสวงหาทางพ้นทุกขนะ์นใช้เวลาเนิ่นนานต้งแต่คิดอยากเป็นพระพุทธเจ้านะใช้เวลาทั้งหมด20่สอสงไขยแสนมหากับแล้บำเพ็ญบารมีมาเรื่อยนะสิอสงไขยถึงได้รับพยากรว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อย่างเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยๆ ใครเป็นคนพาให้ท่านสแสวงหาก็ตันหาพาตัหาเป็นคนพาทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีทำยังไงจะพ้นนะอยากพ้นอยากดีอยากจะไม่ทุกข์ น, นีความอยาก่าพาท่านเดินไปด้วยเจนมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในชาติสุดท้ายนีย้อยู่กับโลกนะ29ปีออกมาบวช ออกมาบวชก็ไปทรมานตัวเองเนี่ไปนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งแลก็ไปทรมานตัวเองอยู่อีกหลายปี5ปีได้อยู่กับโลกก็29ปีสุดโตงไม่ข้างตามกิเลสไปออกมาบวช้ามาฝึกบังคับจิตในการเข้าฌานอยู่ช่วงหนึ่งเห็นว่าไม่ได้ผลก็ามาฝึกบังคับกายอยู่หลายปีไม่ได้ผล ตอนใกล้ๆจะตัดสู้ที่ว่ามีพระอินมาดีดผินให้ฟังเนีจะเป็นสั ญ, ญลักษณ์อะไรซะยังก็ตึงเกินไปก็ใช้ไม่ได้หย่อนไปก็ใช้ไม่ได้ต้องทางสายกลางตอนที่ท่านเข้าทางสายกลางเนี่ยสั้นนิดเดียวใช้เวลานิดเดียวงั้นกว่าพวกเราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้นะ่ใช้เวลา เราไม่สุดตรงไปข้างตามใจกิเลสก็สุดตรงไปข้างบังคับกายบังคับใจคน ท, ทั่วไปไม่ได้พานานนก็สุดตรงตามใจกิเลสไปเรื่อยหลงโลกไปสนุกสนานคิดว่าได้ดูรูปสว ย, สวยแล้วมีความสุขได้ยินเสียงเพราะๆ เ, เสียงที่ถูก อ, อกถูกใจแล้วมีความสุขได้กลิ่นที่ดีแล้วมีความสุขได้รถที่ดีแล้วมีความสุขได้สัมผัส ทางร่างกายที่ดีแล้วมีความสุขนะได้คิดนึกอะไรสนุกสนานแล้วมีความสุขนี่ยใจมันคิดอย่างนี้แก็เที่ยวหาความสุขไปเรื่อยแล้วมันหาไม่ได้จริงไปดูหนังหวังว่ามีความสุขมันก็มีสุขเดี๋ยวเดียวนะไปฟังเพลงหวังว่ามีความสุขมันก็สุขเดี๋ยวเดียวไปกินของอร่อยมีความสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวอีกไม่ว่าทํำไรนะมันเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยแล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่ พวกเราก็หาความสุขมานินนานหลาย10ปีละคนไหนอายุเกิน60มีไหมเกิน60นก็มีหลายคนนะคนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อหรือใครยังไม่ถึง20มีไหมในนี้เริ่มน้อยลงนะสมัยหลวงพ่อเทศใหม่ๆเนี่ยพวก่ 20, หรือต่ำกว่า20เยอะเทศมาหลายปีเนี่ยมาเอาวุโสตามหลวงพ่อไปเรื่อย ไม่ว่าเราจะมีอายุ10ปี20ปี30ปีหกปี70ปีนะเราก็ดิ้นหาความสุขอยู่นั่นแหละนี่หาความสุขด้วยการไปดูด้วยการไปฟังด้วยการไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหาความสุขกันทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แต่มันไม่เต็มมันไม่อิ่มนี่พอเรามาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มบังคับกายบังคับใจ คิดถึงงานอาภรณสติก็นั่งเพ่งลมหายใจทําใจให้นิ่งๆเพ่งเงาเพ่งเงาไปปฏิบัติธรรมด้วยการดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องอีกบังคับร่างกายก่อนแล้วก็บังคับจิตใจทีหลังอย่างเราจะเดินจงกรมเราก็บังคับร่างกายก่อนต้องเดินท่านี้มือต้องอยู่อย่างนี้นะก็เริ่มเถียงกันอีกบางคนมือไว้ข้างหลังบางคนมือไว้ข้างหน้าบางคนมือทอดลงไปบางคนมือขึ้นมาเนี่ยอย่างไหนถึงจะถูก เวลาจะเดินต้องยกเท้าสูงเท่าไหร่ก้าวไปยาวเท่าไรอะไรเนี้ยนี่เป็นเรื่องการควบคุมร่างกายทั้งหมดเลยพอเราควบคุมร่างกายได้ที่เราก็จะควบคุมจิตใจต่อไปพอเรานั่งเราเดินจงกรมพอเราเข้าที่เราวางท่าเรียบร้อยเราก็จะเริ่มทำใจขึมๆทำใจให้ดูดีเรียบร้อยนี่คือการดัดแปลงนะเริ่มต้นมบาบังคับกายถัดไปก็บังคับใจ หวังว่าบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆแลวันหนึ่งจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกท่านให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าไม่ได้ให้บังคับกายบังคับใจการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจด้วยถ้าลืมกายถ้าลืมใจก็ไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงถ้าบังคับกายบังคับใจกายกับใจก็ไม่แสดงความจริงมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยเราจะวนเวียนอยู่ในความสุดโต่งเนี่ย นานมากกว่าเราจะเข้าทางสายกลางแช่ใช้สิทธะนะพอเข้าทางสายกลางเนี่ยท่านภาวนาใช้เวลาไม่นานละก็บรรลุพระอรหันต์ะที่ว่าได้ยินพระอินดีผินไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปเข้าทางสายกลางตรงไหนที่เป็นทางสายกลางท่านนึกถึงตอนเด็กๆได้ ตอนท่านเป็นเด็กๆท่านเคยทำสมาธิทำสมาธิแบบไม่มีมันยาตอนเด็กๆนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตสงบสบายรู้เนือ้อรู้ตัวไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจจิตสงบรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ท่านคิดถึงสมาธิอย่างนี้นะาก็มากลับมาหายใจนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตก็สงบจิตใจอยู่กันเนือ้อกับตัว แล้วท่านก็เดินปัญญาการเดินปัญญานีท่านไม่ได้เดินจากกายครูพระเจ้าบรมีท่านเต็มละท่านเดินจากในหมวดธรรมานุปัสสนาเลยท่านดูปฏิจจสมุปบาทดูอริยสัจเลยนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูกายก่อนนะแต่อย่างตอนที่ท่านไปรู้ลมหายใจนั่นนะท่านไม่ได้เจริญปัญญาด้วยการดูกายอันนั้นท่านทําสมถธิท่านทําสมาธิ ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านใช้สมาธิที่ดีนะสมาธิมีหลายชนิดที่หลวงพ่อจําจี้จาใช้พวกเรามากเมื่อก่อนไม่มีใครสอนกันเลยนะครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในวงแคบๆนักปฏิบัติไม่เท่าไหร่หรอกอย่างหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและอย่างหลวงปู่เทศท่านสอน เรื่องสมาธิกับฌานฌานเนี่ยเพ่งไว้บังคับไว้เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจสมาธิมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายเห็นใจทำงานแต่ก่อนมีสอนนะหลวงพ่อก็เรียนจากครูบาอาจารย์แะแต่ว่าคนที่เรียนเนี่ยมันมีน้อยส่วนมากที่จะไปเรียนกันเนี่ยจะไปเรียนทำสมาธิให้นิ่งให้สงบเพราะความเชื่อนะว่าต้องสงบก่อนถึงจะเกิดปัญญา ที่จริงต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาแต่สมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตไม่ไหลไปไหลมาจิตตัวนี้เป็นจิตที่เป็นธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมดามากเลยนะถ้าเมื่อไร่แน่นหนักๆนแน่นๆแข็งแข็งซึมๆึทื่อๆเป็นจิตที่ผิดธรรมดาเป็นจิตที่ถูกบังคับไว้เคร่งเครียดเราใช้จิตปกตินี่เองจิตปกติของมนุษย์ปกตินี่แหละ โดยที่ไม่ได้ไปบังคับมันเนปะจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวตามธรรมชาติธรรมดาสบายๆนะนี่ปกติเราจะหลงใจมันจะไหลตลอดเวลานะใจไหลไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะให้เรามีสติรู้ทันใจที่ไหลนะเมื่อเรารู้ทันใจที่ไหลไปถ้าก็ใจมันจะตั้งมั่นใจจะไม่ส่งออกจิตจะไม่ส่งออ ก, จจ อ, อ, กอัตโนมัติ แค่รู้เนะื้อรู้ตัวจิตใจหนีไปคิดรู้จิตใจหนีไปคิดรู้รู้อย่างนี้บ่อยๆนะพอรู้บ่อยๆใจมันจะมาอยู่ที่ตัวเองพอใจมันอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยคราวนี้เดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วพอใจมันอยู่กับตัวเองนะแล้วเราก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะพวกเราบารมีไม่เท่าพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะบารมีเต็มละท่านขึ้นทีเดียวท่านขึ้นธรรมานุปัสสนาเลย พวกเราบารมีไม่เท่าหรปัญญาเราไม่แก่กล้าอย่านั้นเราก็ดูจากกายจากใจฐานในสติปัฏฐาน4ี่นะฐานที่ดูง่ายคือกายกับใจนะกายานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนาเป็นฐานของที่พวกอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าปัญญาย่งไม่แก่กล้าฐานเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยพวกแก่กล้าแล้วนั่นเราสันนิฐานไว้ก่อนว่าพวกเรายังไม่แก่กล้าหรอก แก่กล้าคงไม่มานั่งอยู่ที่นี่หรอกนะคงไปฟังทมที่วัดเชตวันวัดเวรุวัดอะไรแล้วบรรลุไปหมดแล้วละพวกที่เขาแก่กล้าเขาไปหมดแล้วเหลือพวกเรานี้แหละนะครึ่งครึ่งกลางกลา ง, งถ้าพวกอ่อนกว่าพวกเรามันก็ไม่เข้ามาบ้านจิตสบายตอนนี้มันไปสบายอยู่ที่อื่นนะยังไม่ตื่นสัวนใหญนะ่นี่พวกเราก็ถือว่ามีบา ร, รมีเหมือนกันนะไม่งั้นไม่สนใจหรอกแต่ว่าถ้าจะพูดไปนะ ปัญญสีคือตัวปัญญาแท้ๆนะพวกเราต้องฝึกอีกหน่อยนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราสันนิฐานไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยว่าเรายังไม่แก่กล้ามากนักหรอกเราจะได้ไม่ประมาทกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ยังไม่แก่กล้าปัญญายังไม่แก่กล้านะก็คือกายานุปัสสน า, ากับจิตตานุปัสสน า, านะานาดอะไรเอาวันนั้นนะไม่ถึงขนาดโดดขึ้นธรรมานุปัสสนาง่ายๆหรอก ถ้าขึ้นธรรมานุปัสสนาก็เห็นขันเห็นขันมันทํางานเห็นขันมันมีตั้งห้าขันเห็นมันทํางานรู้ความจริงของมันหรือเห็นนิวรณ์นิวรณ์ละเอียดเป็นกิเลสละเอียดนะเห็นนิวรณ์ทํางานขึ้นมาว่ารู้ว่านิวรณ์เกิดได้ไงนิวรณ์ดับได้ไงทําไงนิวรณ์จะไม่เกิดนึ่งจะรู้ละเอียดจะรู้เรื่องโพชฌงจะรู้อริยสัจอะไรเนี่ยจะรู้เรื่องธาตุเรื่องอะไรพวกนี้นะเรื่องละเอียดแล้วพวกเรา ยังดูไม่ถึงเราก็ไม่ต้องเสียใจเราดูไกลดูจิตนี่แหละถึงวันหนึ่งเราก็รู้อริยสัจ ต, ตรงที่เข้าไปรู้อริยสัจนั่นแหละขึ้นทำมานุปัสสนาไปเรียบร้อยละเห็นอริยสัจงินเบื้องต้นเราทําฐานใดก็ได้นะแต่สุดท้ายเราก็รู้แจ้งอริยสัจเหมือนกันนี่ถ้าเราจะดูไกลหลวงพ่อก็สอนอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูจิตนะเราต้องดูนิสัยตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนหฉริต โบราณเรียกว่าจริตจริตเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นตันหาจริตตันหาจริตคือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการดู ก, กายเพราะร่างกายมันจะสอนให้เราเห็นนะไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกคิดมากก็ควรจะดูจิตทุกคราวที่เราคิดคิดเรื่องนี้จิต ด, ดีชิดเรื่องนี้จิตร้ายนะ คิดอย่างน้อนคิดอย่างนี้จิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งนักคิดทั้งหลายนะจิตก็เปลี่ยนเร็วมันเปลี่ยนตามความคิดไปอย่างตาเรามองเห็นเนี่ยขณะที่ตามองเห็นนะไม่มีอะไรมีแต่อุเบกขาใจเฉยๆแล้วก็ไม่เป็นอกุศลไม่เป็นกุศลอะไรหรอกเป็นกลางๆไม่เป็นกุศลอกุศลแต่พอตาเรามองเห็นแล้วใจเราคิดหน่อยหนึ่งนะตัวนั้นแนหะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมา นี่นักคิดทั้งหลายเนี่ยคิดทั้งวันคิดอย่างรวดเร็วมีเรื่องไม่ควรคิดก็คิดนะเรื่องไม่เกี่ยวกับเราเราก็คิดคิดเรื่องคนอื่นก็ได้คิดวิพากษ์วิจารวิจัยวิเคราะห์อะไรทั้งวันใจเราก็กระเพื่อมตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเลยอันนี้สาหรับพวกคิดมากพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามดู ก, กาย S, там, มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะใจไม่ส่งออกนะเพราะฉะั้นจะดูกายหรือจะดูจิตก็ตามนะใจต้องตั้งมั่นใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดู <protect Phew oise laus> ええนั่ <ielle> นก็คือสมาธิที่ถูกต้องคือความตั้งมั่นงั้นเราพยายามมาฝึกให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็ดูถนัดดูกายเหมาะกับการดูกายก็ดูกายไปถนัดกับการดูจิตมันก็ดูจิตไปเหมาะกับอะไรก็ดูนั้นทางใครทางมัน เวลาดูกายใครเป็นคนดูก็จ so ิตเป็นคนดูเวลารู้ความจริงก็จะรู้ทางกายรู้ทางจิตเระร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งบางทีจิตมันก็สั่งนะร่างกายก็เคลื่อนไหวบางทีไม่ได้สั่งมันก็เคลื่อนไหวสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลาเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูนะจะเห็นความจริงในร่างกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เรานี่จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิต ถ้าเราถนัดดูจิตนะเราก็เห็นเลยว่าจิตเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนเมื่อไหร่จิตเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นไหก็อาศัยกายอีกแล้อาศัยร่างกายทําให้จิตเปลี่ยนอาศัยตาไปเห็นรูปอาศัยหูไปได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนอาศัยจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนอาศัยลิ้นกระทบรสจิตก็เปลี่ยนเนี่ยจิตมัเปลี่ยนโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปกระทบอารมณ์หรือบางทีสัญญามันผุดขึ้นมาในใจนะเราไม่ได้ดูไม่ดได้ฟังไม่ได้ดมกลิ่นอะไร อยู่ความจํามันผุดขึ้นมาเคยไหมนั่งนั่งอยู่หน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะคิดถึง น, นนะอยู่ๆมันก็เวี่ยงความจําอันนี้ขึ้นมาใจเราก็คิดต่อพอนึกถึงคนนี้ปุ๊บนะเกลียดขึ้นมาเลยนึกถึงคนนี้ปุ๊บรักขึ้นมาเลยนะใจมันก็ปรุงต่อเนั้นใจเราจะปรุงนะเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายรู้สัมผัสนะกายกระทบเย็นน้อนนอนแข็งตึงไหว เมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งจิตจะเปลี่ยนแปลงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วงั้นเวลาที่เรารู้เนี่ยเราจะไม่ได้รู้แต่จิตนะเพราะจิตมันเปลี่ยนเพราะกายเหมือนกันเวลารู้เนี่ยมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเพราะงั้นคนที่ดูจิตดูจิตนะร่างกายกระดิกก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลยพวกเราใครเป็นมัน่งนอนอยู่นะจะพลิกไปพลิกมาเนี่ยรู้สึกนะ รู้สึกได้ถ้าสติดีๆเนะรู้ทั้งคืนเลยเหมือนไม่นอนเลยเหมือนไม่นอนจนบางคนกลุ้มใจว่าตายแล้ววันนี้ทำไมยังไม่นอนแต่ดูไปอีกทีร่างกายกำลังกลนคลอกๆเลยใครเคยเห็นตัวเองกลนบ้างมีไหมยกมือสิโต้องสติดีจริงๆนะเนี่ยนั่ ไ, ไม่เห็นหรอกนี่เราเวลาเราฝึกดูจิตดูใจนะร่างกายเป็นไงเราก็รู้เวลาเราดูกายถ้าดูเป็นนะจิตเป็นยงไงก็รู้ มันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตมันเนื่องกันไปหมดอะเวลาดูกายเห็นอะไรเวลาดูกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตแล้วเวลาดูจิตเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายตามองเห็นเลือกได้ไหมว่าจะเห็นอะไรก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมเมื่อเห็นแล้วจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ใช่ไหมเห็นปุ๊บมันชอบเห็นปุ๊บมันเกลียด เราเลือกไม่ได้เนี่ยเวลาที่เราเดินปัญญานะเราใช้ใจธรรมดานี่เองใจที่ไม่ได้แบบบังคับแต่ถ้าใจเราไปถูกบังคับเรียบร้อยแล้วอย่างที่ส่วนใหญ่เขาทากันนะีน่บังคับกายบังคับใจไป็นมลเลยสมว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ ก, ก็อยากดูอยากดูว่าเสียงอะไรอยากดูหนออ่าหันแล้วเนี่ยค่อยๆหันหันโอ๊ยกว่าจะหันเนี่ย ผู้ร้ายงัดบ้านเข้ามาถึงตัวแล้วเชือดคอไปแล้วนะกษัตรหันไม่ได้กินหรอกนะล้วขณะนั้นหันไปเจอผู้ร้ายจิตเป็นไงจิตเฉยเพราจ้องมาตลอดแล้วเฉยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนี่แหละพระอรหรันทะรับถูกชือดก็เฉยนะไม่มีหรอกสุขทุกข์ยินดียินร้ายอะไรไม่มีมีแต่เฉยเฉยงั้นะเราอย่าไปดัดแปลงจิตนะอย่าดัดแปลงจิตให้ผิด ใช้จิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนี่เองเอามารู้กายอย่างที่กายเป็นเอามารู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราก็จะเดินปัญญาต่อไปได้ถ้าเราไปดัดแปลงนะมันจะไม่มีอะไรให้ดูร่างกายก็นิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งกว่าความเป็นจริงพวกเราใครเคยปฏิบัติมาก่อนที่จะเจอลงพมี ม, มใครเคยปฏิบัตินึกออกไมแต่ก่อนนั้นเป็นยังไง มันนิ่งๆไหมแข็งๆนะเกือบร้อยละร้อยเลยนิ่งยกเว้นอีกพวกหนึ่งนะพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นึกว่าปฏิบัติพวกใช้คิดเอาเองนะนั่งคิดเอาเลยร่างกายเป็นอย่างน้อนจิตเป็นอย่างนี้นะจิตเป็นสุญญาตานะจิตเป็นอนัตตานะทําจิตว่างๆนะไม่แข็งนะพวกนี้แต่ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะใจว่างรู้จักจิตว่างไหมจิตว่าง สบายเนี่ยใจออกไปข้างนอกนะสบายร่องลอยว่ า, างอยู่งั้นนะไม่ได้เดินปัญญานะงั้นใจเนี่ยมันต้องถึงฐานจริงๆนะโอปัญญายิโกนะน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามารู้สึกอยู่ในกายน้อมเข้ามารู้สึกอยู่ในใจแต่ไม่ใช่ดึงแค่น้อมนอมนะแค่ระลึกถึงโอ้ตอนนี้จิตออกอยู่ข้างนอกแนละรู้อย่างนี้นะจิตจะค่อยๆกลับเข้ามา แต่ถ้าเรารู้ว่าจเจี๋ยวนั่นเราดึงนะเจีแน่นถ้าแน่นเนี่ยผิดนะจิต ท, ที่รู้ตัวนี่เป็นจิต ท, ที่สบายเบาถ้ามันหนักเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นจิต ท, ที่รู้สึกตัวเนี่ยนุ่มนวลนถ้าแข็งเมื่อไหร่นะผิดเมื่อนั้นจิต ท, ที่รู้สึกตัวที่แท้จริงถูกต้องนะว่องไวถ้าซึมๆอย่างเนี้ยไม่ใช่จิตรู้สึกตัวซึมหลวงพ่อทำตาปล่อยๆให้ดูเห็นไหมดวกไหม เนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวนะจิตที่มันรู้ตัวจริงๆนะเป็นกุศลจริงๆนะมันเบาเรียกว่าลาหูตามันนุ่มนวลเรียกว่ามูทุตานุ่มนวลนะมันคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าป่าคุนตาไม่ซึมนะมันควรแก่การงานคือขยันไม่ขี้เกียจไม่ซื่อบือ้อนะเรียกว่ากัมมัญญตามันซื่อตรงในการรู้อารมณ์สุขมาก็รู้ทุกมาก็รู้ดีมาก็รู้ชั่วมาก็รู้ไม่เลือก ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกว่าอุชุกตาถ้าเราไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เจออะไรก็บังคับจิตให้นิ่งเจออะไรก็บังคับจิตให้นิ่งใช้ไม่ได้จิตอย่างนั้นไม่ถูกต้องความยากมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเมื่อไหร่จะมีจิตที่ถูกต้องงั้นเรียนกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อตรงนี้แหละเจ้า ช, ชายศิทธัตธานะก็ลองผิดลองถูกมาตั้งเดินนานก็มาได้จิตที่ถูกต้องความจริงได้มาเรื่อยๆนะแต่ลืม ตอนเด็กๆจิต ท, ที่ถูกต้องนี่มันขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องนี่มันขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็ลืมทําไมมันขึ้นมาได้เพราะท่านก็เคยฝึกมาจากพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะต้องเคยรู้เคยเรียนมาแล้วกลับมาแต่ก็ลืมนะตอนที่จะมาแตกหักเนี่อรู้สึกตัวได้แล้วมาเจริญปัญญาใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานนะก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานยิ่งพวกเราถ้าคนไหนรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ย วัตตาของเราสั้นแล้วถ้าคนไหนทําแต่สมาธินะใจสงบลูกเดียววัตตะอย่างยาวยาวมากๆเลยเพราะจิตที่ทรงฌานอยู่นะตายไปเป็นพรหมเนี่ยยาวมากเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปตั้งหลายองค์แล้วพรหมนี่อย่างซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นเลยนะยังสบายไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่งนั้นเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจเราสามารถเดินปัญญาได้แล้วตั้งมั่นถึงฐานจริงนะเห็นรูปเห็นนามทํางานได้แล้วตรงเนี้ยสั้น ที่ท่านบอกว่า7วัน7เดือน7ปีเคยได้ยินมเจ็ดปีบรรลุพระอรหันต์ถ้าไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ได้อนาคาถ้าเจ็ดปีบางคนยังยาวเกินไปบางคนแค่6ปีก็ได้พระอรหันต์หรืออนาคาบางคนปีเดียวบางคนไม่ถึงปี 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7เดือนบางคนเดือนเดียวบางคนไม่ถึงเดือนเดียวนะแค่7วันก็ได้อรหันต์ได้อนาคาบางคนบอกวันเดียวฟังธรรมวันนั้นก็ได้วันนั้น ไดพระอรหันต์วันนั้นอันนี้พระเขาแก่กล้าแล้วแต่ก่อนจะแก่กล้าก็เหมือนพวกเราอย่างเนี้ยนะเหมือนพวกเราเนี่ยต่อแต่ต่อแต่ไปเรื่อยก็ค่อยๆฝึกนะฝึกให้ใจมันกลับมาหยุดที่ตัวเองใจมันหยุดที่ตัวเองแล้วก็ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นไม่แทรกแซงรู้ไปเรื่อย เ, เวลาดูกายก็เห็นนะ่ยร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างขณะ น, นี้ส่วนใหญ่นั่งอยู่รู้สึกไหม รู้สึกไม่ร่างกายนั่งรู้สึกไม่ร่างกายหายใจเนี่ยเวลาทำอานาปนสตินะอย่าไปจ้องใส่ลมนะส่วนใหญ่ไปจ้องลมหายใจแล้วใจทื่ๆไปแทนที่จะไปจ้องลมหายใจนะใช้หลักง่ายๆเลยนะที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายนะให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวท่าไม่ได้บอกว่าให้ไปดูลมหายใจนะ ถ้าบอกให้หายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวใครหายใจออกร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายนีหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนเห็นใจเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนี่ฝึกง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วมันจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนไม่ใช่เรา ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเรานะจนเห็นง่ายๆเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะเคยรู้สึกนะถ้าคยรู้สึกตอนนี้นั่งอยู่ไหมยิ้มซิยิ้มแล้วรู้สึกเห็นร่างกายยิ้มใครเห็นร่างกายยิ้มแล้วบ้างนะบางคนไม่ได้ยิ้มด้วยกายเลยนะแอบยิ้มข้างในแล้วนึกว่าร่างกายยิ้มนี่ยังดูไม่ถูกนะ ไอ้นั่นไปดูจิตมันยิ้มไม่ใช่ร่างกายเป็นยิ้มขณนะ น, น, นี้ใจเราเป็นสุขหรือใจเราเป็นทุกข์รู้ไหมรู้ง่ายๆอย่างนี้เองเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้าร่างกายพยักหน้ายกมือซิร่างกายยกมือนะง่ายง่ายอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องมากมายมากเรื่องมากเรื่องง่ายๆนะไม่ใช่มีอะไรยากหรอก แต่กว่าจะง่ายคือขว่าใจจะตื่นขึ้นมาเห็นขันแยกออกนะอันนี้ยากพอขันแยกได้แล้วไม่ยากแลเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเนี่ยขนาดนี้ในร่างกายเรามีความทุกข์อยู่ตรงไหนบ้างดูออกไหมรู้สึกไม้มมันต้องมีเพราะนั่งมาพักใหญ่แล้วในร่างกายมีความทุกข์ดูออกไหมว่าความทุกข์กับร่างกายคนระอนกัน เออค่อยๆหัดดูไปนะบางคนก็ดูออกบางคนยังดูไม่ออกจํานวนมากในห้องนี้ดูออกแล้วล่ะเข้าใจมันตื่นขึ้นมาจริงๆนะขันมันแยกเนื้อเห็นในร่างกายอยู่อันหนึ่งความทุกข์อยู่อันหนึ่งใครฟังถึงตรงนี้แล้วสงสัยบ้างยกมือซิใครสงสัยยกมือซิมีไหมไม่มีเลยเหรอหลวงพ่อพบผู้ร้ายปากแข็งจํานวนหนึ่งเนะี่ย <laughs> <laughs> สงสัยนะ ใจสงสัยทำไมรู้ไม่ยากหรอกหน้าเนี้ยคิวขมวดอะไรวะเทศอะไรวนะสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยแค่นี้เองที่หลวงพ่อสอนเรานะมากมายอยู่ทุกวันเนี่ยนะมีอยู่ไม่กี่จุดเองอะอันแรกเลยทำไงจิตจะตื่นที่มันอย่างแท้จริงจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องอันที่สองอะ่ะเห็นสภาวะไหมนะหัดดูสภาวะ สภาวะของรูปธรรมร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์มันแทรกเข้ามาในร่างกายมันแทรกเข้ามาในจิตใจใจเป็นคนดูนะกิเลสแทรกเข้ามาในใจกุศลแทรกเข้ามาในใจใจเป็นคนดูหัดนะดูสภาวะ น, ะนั่นเองพอเราดูสภาวะเป็นนะใจเราเป็นคนดูสบายๆเนะี่ยมันจะเห็นนะว่าสภาวะทั้งหมดนั่นแหละเกิดแล้วดับตัวนั้นแหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าทําได้ตรงนี้นะเวัน7เดือน7ปีนับไปเถอะ แต่ถ้าเจ้าเล่นะก็เริ่มทําวันนี้แล้วก็เว้นไป6ปีครึ่งแล้วไปทําต่อแล้วบอกว่า7ปีแล้วไม่บรรลุอันนั้นว่ากันไม่ได้นะมันไม่ได้ทําจริงขี้เกียจเนาะเจ้าเล่ห์เนาะถ้วดูของเราไปทุกวันทุกวันนีย่ยที่หลวงพ่อพักเพียรมากนะในช่วงหลายๆปีเนีคือให้พวกเรามีจิตที่ถูกมีสมาธิที่ถูกต่อสู้อย่างหนักเลยในเรื่องการจะฝึกให้พวกเราได้สมาธิที่ถูกขึ้นมา หลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนี่ยเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทําไมเรียกว่าผู้รู้นะรู้ตัวรู้ตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวทําได้ตั้งแต่เป็นโยมพวกเราก็ทําได้มันไม่ยากอะไรนะนี่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะ่ะมัเป็นนักเพ่งมันบังคับกายแบบบังคับใจไม่ใช่ผู้รู้หรอกเป็นผู้บังคับกายบังคับใจผู้เครียดเป็นผู้เคร่งเครียด จำได้ไหมสมัยที่หัดภาวนากันใหม่ๆยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนีเครียดใช่ไหมเครียดเพราะว่าคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการบังคับตัวเองนะก็คิดอย่างเจ้าชายสิทธัตถา น, นั่นแหละบังคับกายบังคับใจบังคับใจก็ไปฝึกกัะลุ่ยสีจิตใจมันเคยเคลื่อนไหวก็ไปฝึกให้มันนิ่งนะบังคับกายบังคับร่างกายนะให้ร่างกายอยู่นิ่งๆไม่กระดุกกระดิกทรมานมันอะไรเงี้ย อดข้าวอดปลากำมือแน่นไม่กระดิกเลยให้เล็บทิ่มเนื้อเลยเล็บค่อยๆงอกๆงอ ก, งอกหรือเอาลิ้นดันเพดานไว้นิ่งลิ้นดันเพดานไว้นทรมานไปบังคับกายบังคับใจนะงั้นเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจนะพอรู้สึกตัวเป็นก็หัดดูสภาวะไปความสุขเป็นอย่างนี้นะอยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มี ความทุกข์เป็นอย่างนี้อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีความไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ที่ใจก็เป็นอย่างนี้นะกุศลอยู่ที่ใจเป็นอย่างนี้อกุศลลบหลดลงอยู่ที่ใจเป็นยงนี้หัดดูสภาวะตัวจิตเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่ออกไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านพล่านไปนั่นเองเรื่องวิญญาณพเนจร ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไปนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่หูแล้วก็ดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นแนหะแต่โดยความรู้สึกของเราที่เราอย่างสติปัญญาเรายังไม่พอนะเราจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมาอันนี้เราสันตติไม่ขาด สติปัญญาเรายังไม่พอถ้าสติปัญญาพอสันติคือความสืบเนื่องจากขาดเราจะเห็นว่าจิตที่ไปดูก็เป็นดวงหนึ่งนะจิตที่ไปฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปคิดก็เป็นอีกดวงคนละอันกันคนละตัวกันเวลาเราดูทีวีนะเดี๋ยวจิตก็ไปดูเดี๋ยวจิตก็ไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไปคิดสลับกันนะแล้วค่อยๆดูเียหัดดูสภาวะนะหัดดูสภาวะของรูปธรรมหัดดูสภาวะของนามธรรมรูปธรรมก็อยู่ในกายเหล่านี้ น, ะนามารรมันะมีความสุขความทุกข์มีกุศลอกุศลมีวิญญาณคือจิตที่เกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจดูไปเรื่อยนะดูเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเราแยกสภาวะได้แล้วถึงจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าสภาวะมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยจะดูไตรลักษณ์ไม่ออกเราะั้นคนที่พอนาไม่เป็นนะจิตมันไม่ตั้งมั่นออกมาจิ้มจะไหลเข้าไปรวมอยู่ในร่างกาย เวลาดูกายจิตถรวมเข้ากับกายก็จะไม่เห็นกายเป็นไตรลักษณ์เวลามีความทุกข์ขึ้นมาจิตก็จมหรือในความทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์เป็นไตรลักษณ์นะแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราพยายามเรียนนะที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราให้จิตตั้งมั่นคือมีสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่สมาธิเพ่งแล้วก็ให้ดูสภาวะนะแล้วสภาวะนั่นแหละจะเป็นครูสอนกรรมฐาน ไม่มีใครสอนเราได้นะไม่มีใครสอนให้เราบารรลุมรรคผลได้หรอกรูปธรรมนามธรรมในตัวเรานี้แหละจะสอนธรรมะเราเดี๋ยวมันก็จะสุขให้ดูเดี๋ยวมันก็ทุกข์ให้ดูเดี๋ยวมันก็ดีให้ดูเดี๋ยวมันก็ชั่วให้ดูเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็หยุดนิ่งเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเราะฉั้นถนัดอันไหนก็ตัวนั้นไปก่อนนะถนัดกายก็ดูกายถนัดใจก็ดูใจในทางคิดสติเนี่ย ก็แยกตามจริตรนะักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้ดู ก, กายนะถ้าตามทฤษฎีนะถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยให้ดูจิตนะในทางปฏิบัติจริงดูอะไรได้ดูนั้นแหละฉนะนั้นทางทฤษฎีทางปฏิบัติจริงเห็นอะไรก็ดูนั้นแหละเพราะทุกอันนั้นแสดงไตรลักษณ์เหมือนๆกันพอไหวไหม วันนี้หลวงพ่อสอนแบบแอดวานซ์หน่อยนะเพราะว่าดูหน้าตาเมื่อกี้เซอร์เวยแล้วล่ะสำรวจนะดูหน้าตาสดใสดีถ้าหน้าเหมือนนางกวักแต่กวักกับข้างพวันนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะก็ต้องค่อยสอนต่อแต่ต่อแต่ไปนี่พวกเราส่วนใหญ่ในห้องเงียบตื่นขึ้นมาได้ละใจมันตื่นขึ้นมาถ้าไม่รู้เห็นหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องเห็นหลวงพ่อดูแล้วนะ พวกเราดูออกไหมเดี๋ยวนี้พวกเราดูออกไหมไปเจอใครสักคนเรารู้ไหมว่าใจเขาเป็นยังไงใจเขาดีใจเขาร้ายกําลังโมโหอะไรดูออกไหมยากอะไรเห็นที่ยากอะไรแค่เห็นเฉยๆก็รู้แล้วไม่ทันจะใช้อะไรซักหน่อยเนี่ยอย่างเวลาหัวละแล้วรู้สึกไหมใจเป็นบานออกใจมปนคลายออกอก็เห็นอย่างเนี้นะทําไมรู้อ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกคนะนะ ใครรู้ใครดูไปนะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องลึกลับอะไรหรอกนะบางคนจะมาดูว่าหลวงพ่อปฏิหารปฏิหารที่สําคัญนีสอนคนซึ่งไม่น่าจะภาวนาได้ให้ภาวนาได้เนี่ยปฏิหารสุดยอดเลยใครๆสอนกวายขึ้นต้นไม้อะปฏิหารไหมพวกเราก็ระดับน้องๆกไอยเนาะบางที ว่ายากสอนอยากดื้อใครยังดื้ออยู่ยกมือสิใครยังขี้เกียจอยู่โอ้พวกดื้อพวกขี้เกียจมักอยูพวกเดียวกันใครยังขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ใครยังขี้โกรธอยู่มีไหมโอ้ขี้โกรธเยอะใครฟุ้งซ่านเก่งโอ้เยอะที่สุดถูกต้องถูกต้องนะ ถ้าขี้โลภเยอะขี้โกรธเยอะเราไม่มีคนฟุ้งซ่านเลยนะเป็นไปไม่ได้จะโลภได้จะโกรธไ ด, ด, ได้ต้องฟุ้งซ่านก่อนนะแล้วระหว่างโลภระหว่างโกรธก็ฟุ้งซ่านอยู่ทนะําไมฟุง้งซ่านไม่โลภไม่โกรธหร อ, อนะใครขี้ฉาบ้างมีไหมนะโ อ, โอเยอะนะก็คนเก่าๆนี่แหละแสดงว่ามีทุกอย่างเลยนะใครขี้เกียจขี้เบือ่อเบือ่อไม่อยากภาวนาแล้วเบือ่อนะเบื่อกับขี้เกียจยังไม่เหมือนกันทีเดียวนะ รู้สึกไหมเบื่อกขี้เกียจต่างกันนะรู้จักใช่ไหมสภาวะทั้งหลายรู้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนมีจุดอ่อนอะไรเพราะเมื่อกี้ยกมือแล้วแสดงว่ารู้แล้วอะแล้วรู้หรื อ, อยังว่าจะต้องทำอะไรนี่แหละวิธีสอนของหลวงพ่อสอนให้เราสำรวจตัวเองนะเราสำรวจตัวเองเราก็รู้เลยว่าเรามีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรหัวหมูนี้หนูขี้เกียจ แล้วหนูจะทำยังไงดีก็อยากขี้เกียจสิไม่เห็นมีอะไรเลยนะ ห, มหมูนี้ขี้โมโหโมโหเจออะไรก็โมโหไปหมดเลยนะทำไงดีอนะอย่าโมโหได้ไหมอย่าโมโหเพราะไม่ได้โมโหก็รู้เอานะถ้ามันโมโหมากนักก็จเจริญเมตตานะใจจะได้เย็นๆนะขี้โลภเจออะไรก็อยากได้นะดูไปสิ ตันะ้งกายเหล่านี้ไม่นานก็ตายจะโลภะไรนักหนาเนะี่ยเรารู้วิธีรู้กรรมฐานสารพัดจะรู้นะเพราะพวกเราเรียนมาเยอะแล้วพลิกตำราให้ทันเท่านั้นเองพลิกตำราให้ทันโดยรู้ทันตัวเองว่าเรา่ามีจุดดอนอะไรสำรวจจุดดอนตัวเองนะแล้วก็เราจะรู้ว่าเราจะแก้อย่างไงนะถ้าเรามีจุดดอนอะไรเราก็รู้นะแก้เอาไม่ยากอะไรหรอก ช่วยตัวเองได้รู้ไหมเรามีจุดอ่อนอะไรแต่ละคนใครใครไม่รู้เลยยกมือสิมีไหมไม่มีเลยหรอสาธุ <c oughs> คนไหนเซลจัดบ้างมีไหมยกมือเซลจัดเซลจัดบางคนเซลจัดก็ไม่แปลกนะบางคนเซลจัดรับแรกแปล ก, ปลกดูไม่มีอะไรสักอย่างเลยเซลจัด <c oughs> บางคนเป็น สวยด้วยเก่งด้วยรวยด้วยอะไรนะอะไรๆก็ดูดีหมดเลยแล้ว เ, เซลล์จัดก็ไม่แปลกบางคนไม่มีอะไรเลยก็ยังเซลล์จัดเขาสะสมมาอย่างนั้นนะนะสำรวจตัวเองนะอะไรที่ยังไม่ดีนะรู้ไหมถ้ารู้แล้วเดี๋ยวมันจะรู้ทางแก้เพราะเราเรียนมาเยอะแล้วนะตัวที่ไม่ดีที่มีมากๆนะทั่วๆไปสำหรับโยมก็คือ สมาธิไม่ค่อยมีฟุ้งซ่านเก่งรู้สึกไหมนักฟุ้งอาชีพทำไงอ่ะก็ฝึกสินะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันต้องซ้อมใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้นะต่ไปมันไม่ฟุ้งเนะนี่ยความฟุ้งซ่านนะเป็นสิ่งที่ขราวาดเนี่ยมีมากนะคือขาดสมาธิงั้นเราต้องทำในรูปแบบ ทุกวันเราก็สํารวจตัวเองว่าฟุ้งเก่งเหลือเกินมาทําในรูปแบบไม่ใช่ทําเพื่อห้ามฟุ้งแต่ทําเพื่อคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปมันฟุ้งไปจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้นะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับตัวเองไม่ฟุ้งมากจุดอนอนีกข้อหนึ่งคือความต่อเนื่องทําบ้างไม่ทําบ้างเป็นไหมใครเป็นอย่างนี้ทําบ้างไม่ทําบ้างย้งมือซื้อให้ชลวงพ่อชื่นใจโอชื่นใจจัง นะนึกว่าไม่มีคนยกมือเลยนะจะชื่นใจมากนี่ยกกันเต็มเลยบางคนสองมือเลยนะ <S <S แสดงความจริงใจรู้ว่าไม่ต่อเนื่องก็ทําให้ต่อเนื่องสิก็แค่นั้นเองอะ่นะค่อยฝึกนะไม่รู้ใครจะช่วยได้แล้วละ่ะต้องช่วยตัวเองนะที่สอนให้เนี่ยนะสอนให้รู้จักว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะสิ่งที่ถูกก็คือสภาวะที่จิตตั้งมัน สิ่งที่ไม่ถูกก็สภาวะที่จิตหลงไปตามกิเลสไปก็สภาวะที่บังคับกายบังคับใจนะสอนให้รู้ว่าอะไรควรจะละอะไรควรจะเจริญนะด้วยการสํารวจตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆทำไปสอนกรรมฐานนะการรู้กายการรู้ใจตามความเป็นจริงนะสมถาก็สอนเยอะแยะเลยนะสมถาก็สอนให้มากมีปัสนาก็สอนเยอะในซีดีมีเยอะแยะเลย งั้นไปช่วยตัวเองให้ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้คนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะบางที่ก็เป็นพันๆ น, นะบางทีหลายพันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สามารถช่วยพวกเราทุกคนได้สมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยมีคนเรียนกรรมฐานมีแต่คนทําบุญเข้าไปหาไปเรียนกรรมฐานเนี่ยนะนะมีน้อยขนาดครูบาอาจารย์จำได้เลยว่าคนนี้มาแล้วถามเรื่องปฏิบัติ อย่างหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะท่านจะจิตใจร่าเริงร่าเริงในธรรมะบางองค์นั้นเราไปถามท่านนั้นท่านร่าเริงมากเลยปกติท่านแก่นะชราไม่มีเรื่องมีแรงแเราถามธรรมะนะัท่านร่าเริงนานๆเจอทีหนึ่งคนที่ถามกรรมฐานเพนั้นท่านประคบประงมท่านดูแลได้มากเหมือนพวกเรายุคนี้เป็นยุคแมชโปรดักต์แล้วเรียนแบบแมชโปรดักต์เนี่ยหลวงพ่อถึงสอนหลักให้ สารหลักให้ไปสำรวจตัวเองจิตของเราตั้งมั่นไหมสำรวจตัวเองจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันแยกขันได้ไหมมันเห็นท่าทเห็นขันแสดงไตรลักไหมถานาัดดูกายก่อนดูกายไปถานาดดูจิตก็ดูจิตมีใครเป็นคนดูมีจิตเป็นคนดูรู้ไหมมีจุดอ่อนอะไรรู้ไหมมีจุดแข็งอะไรสำรวจตัวเองรู้วิธีแล้วก็สำรวจตัวเองรู้หลักการปฏิบัติแล้วก็รู้จักตัวเอง ก็จะช่วยตัวเองได้นั้นต้องทนเอานะทนเอาแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยห่วงพวกเราแล้วละเทรนของพวกเราแนวโนม้มของพวกเราดีชลนะละคือช่วงแรกๆเวลาสอนนะก็โอ้มันจะเข้าใจเลิกนะพวกที่ไม่เข้าใจมันก็หลุดออกไปนะก็หลุดออกไปคัดออกไปคัดออกไปพวกที่เข้าใจหรือพวกใหม่ๆที่เข้ามานี่พวกเข้าใจพวกมีความเข้าใจสูง เราเข้าใจแล้วเรารู้หลักแล้วนะขยันหน่อยสำรวจตัวเองแล้วก็ทําไปถ้าสำรวจแล้วขี้เกียจก็ขยันหน่อยสำรวจแล้วฟุ้งซ่านก็ฝึกในรูปแบบรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปแต่แนะนําให้รู้ทุกคนนะต้องฝึกในรูปแบบทุกคนพอฟุ้งทุกคนแหละนะฟุ้งมากฟุ้งน้อยก็ฟุ้งแหละพอไหวไหมไหวนะไม่ไหวก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนไฟไหม้บ้านวิ่งหนีไหวไหม ท้อใจเออไฟคลอกไปเถอะใครจะไปอุ้มเธอหลวงพ่อแค่อุ้มตัวเองยังอุ้มไม่ไหวแล้วนะอุ้มลูกศิษย์ไม่ไหวหรอกต้องช่วยตัวเองให้ได้นะตอนนี้เหมือนไฟไหม้บ้านอยู่แล้วไฟไหม้บ้านบ้านเราคือภพทั้งหลายที่เรามาอาศัยอยู่นี่แหละเราร้อนทั้งหมดเลยมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเล ย, ย่านอนจมอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปหรอจะไม่ช่วยตัวเองทีเดียวหรืออดทนหน่อยนะ ถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ไปฟังซีดีเอนะแล้วเวลาสงสัยภาวนานไปแล้วเกิดสงสัยเป็นทุกคนแหละต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครมากหรอกนะสงสัยขึ้นมาก็หยิบ CD ดีมา1แผ่นนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดฟังไปเดี๋ยวก็เจอนะเพราะว่าทุกแผ่นมีทุกคำตอบอยู่แล้วล่ะที่ควรจะตอบนะช่วยตัวเองให้มากนะยุคนี้เราเชื่อใครไม่ได้ เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นชลยานามิตรตัวจริงนะสอนเราแล้วไปได้ถูกทางจริงเขาอาจจะเดินได้ถูกนะแต่จรินิสัยเขาไม่เหมือนกับเราก็ได้เขาจะพาเราเดินแบบของเขานะเราไปไม่รอดนะเราต้องดูตัวเราเองนะงานยนุคนี้สิ่งที่ต้องใช้ให้มากคือโยนิโสมนานัสิการนะรู้เหตุรู้ผลนั่นแหละสำรวจตัวเองด้วยการมีเหตุผลนะเหตุผลก็ไม่ใช่เหตุผลของเรานะ ต้องเหตุผลที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะถ้าสำรวจไปเรื่อยถ้าทำได้นะไม่นานหรอกก็จะเจอพระพุทธเจ้าตัวจริงนะาจะเจอนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่เขาวาดภาพกันไว้หรอกนะนั้นวันนี้มิตน ะ, อะพอสมควรแก่เวลานะาว่ามากรรมนมำสการหลวงพ่อคะ่ะ ช่วงนี้ไม่เจริญค่ะเหลอเพราะอะไรล่ะไปอต้องไปสัมมนาค่ะแล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มหมู่คณะก็จะฟุ้งไปเลยแล้วก็อกุศลเยอะมากโอ้จริงจริงเป็นนางมาลายเลยใช่ความผิดมันอยู่ที่ไอหมู่คณะนี่แหละมันมันไม่ได้อยู่ที่หมู่คณะค่ะก็เริ่มมาสังเกตแล้วค่ะว่าต้อง ต้องคือต้องต้องนั บ, ต, นบต้องนับหนึ่งทุกวันนะคะหลวงพ่อมีความตั้งใจนะพยายาม น, นับหนึ่ ง, งไว้น ะ, ะหลวงพ่อเองก็เป็นข้าราชการนะแต่ก่อนเนี้ยสัมมนาประชุมเนี่ยบ่อยมากเลยแล้วเวลาสัมมนาเนี่ยนะตกเย็นนะชอบกินเหล้ากันเราไม่กินเหล้านะเราลาบากมากเลยเรากินตะกลับนะ <laughs> เราต้องหาทางหลบหลีกถ้าหนีได้เราก็หนีหนีไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาอยู่กับเขาทำไงเจริญสติไป เขาหัวเราะเราก็หัวเราะแต่เราหัวเราะแบบมีสติอย่างเขาเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรนะเขาขำกันเราก็ขำนะเราขำไอ้คนเล่าอ่ะเออ <c oughs> เหมือนคนบ้าวะ่ะนะนี่เราพยายามดูของเราไว้นะเราเลี่ยงไม่ได้เมื่ออยู่กับโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่กับเขานะไม่งั้นโลกมันจะว่าเราบ้าความจริงโลกนี้มันโลกของคนบ้านี้เราไม่ได้บ้าตามเขาเขาเลยดูว่าเราบ้า หนูว่ามันมีสิ่งที่ผิดปกติอยู่ค่ะคือหนูว่ามันน่าจะจิตไม่ได้ตั้งมั่นแล้วมันเข้าไปอยู่ตรงท้องแล้วมันก็แวบรบแบบอย่างนั้นอะดีเหรอคะเออถ้ามันเข้ามาแล้วไม่แว บ, บเลยนี่แย่มากเลยนะถ้าเข้ามาแล้วมันยังวิ่งไปวิ่งมาได้รู้ว่ามันวิ่งมันเข้ามารู้ว่าเข้าเราไม่รักษานะไม่ดึง แต่เข้ามาก็รู้วิ่งไปก็รู้ฝึกอย่างนี้แล้วตัวข้างบนนะคะหลวงพ่ออตัวดูเราดูข้างบนหรือว่าเราดูตรงนี้แหละเนี่ยคือคำถามที่หลวงพ่อเคยเล่าว่าหลวงพ่อขยับจะถามหลวงปู่ดูลนะจนหลวงปู่ดูลสิ้นไปเอาไว้ดูเองจนหลวงปู่ทั้งหลายสิ้นไปหมดเลยหลวงพ่อใช้เวลาดูอยู่ร่วมยี่สิบปีหนูจะดูเองไหมกคือถ้ามีโอกาสก็เราไม่ได้เอาตัวไหนร หลวงพ่อแต่ก่อนนะสงสัยเลยนะอ่านพระไตรปิฎกอ่ะพุทธเจ้าให้รู้ทุกหลวงปู่ ด, ดูลบอกให้ดูจิตจิตมันเหมือนอยู่ข้างบนเป็นคนดูใช่ไหมไอ้ตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเป็นตัวทุกี่จะดูตัวไหนเนี่ยขยับจะถามครูบาอาจารย์นะจนท่านสิ้นเป็นแถบเลยนะสิ้นไปกลุ่มหมดเลยไม่ได้ถามนะจะเอาไ้ดูเองหรือไว้ดูตัวความสงสัยดิค่ะดูสงสัยไปก่อน <laughs> ที่จริงเราไม่ได้เอาตัวไหนหรอกทั้งหมดนะั่นแหละตัวทุก ในเบื้องต้นเนี่ยตัวทุกข์ก็อยู่ที่นี่จิตเป็นคนดูให้มันแยกกันนะแต่อย่าไปดูตัวจิตถ้าไปดูตัวจิตเมื่อไหร่จะเกิดจิตซ้อนจิตนะใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่สิ้นสุดนะจะซ้อนไปเรื่อยเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์นะเป็นสมถะเพราะงั้นอย่าไปจ้องใส่ตัวจิตให้มีจิตเป็นคนดูแต่เราไม่จ้องใส่คนดูเห็นสภาวะนั่นเกิดดับไปเห็นทุกข์ไปเรื่อยมันก็จะวางเป็นลําดับไปนะวางวางวางไปหมดเลยสุดท้ายมันวางทุกสิ่งทุกอย่างเหลือจิตอันเดียว ที่หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตนะมันมาในขั้นสุดท้ายนี่นสุดท้ายก็เห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ใช่ไหมตรงกับที่พระเจ้าสอนก็คือรู้ทุกข์นั่นเองไม่งั้นนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปสงวนเอาจิตเป็นตัวสุขเอาไว้ไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เลยไม่ผ่านหรอกนะงั้นถามตอบได้ยังว่าดูตัวไหนเดี๋ยวดูข้างในเอาเองค่ะแล้วจิตสติมันรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละคะค่ ะ, <น>ะบางทีดูรู้เนี่ยค่ะแล้วมันจะ เหมือนมันบีบเค้นมันขยี้นนั่นขยี้ทั้งวันหรือไหมตามองเห็นตรงนี้ก็เค้นหูได้ยินเสียงก็เค้นลมพัดใบไม้ไหวตรงนี้ยังเค้นเลยคือมันมีความสุขเหมือนว่าบางทีกายเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติแต่ตัวตัวเองข้างในเนี่ยมันมันยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติมันยังมีแล้วไม่ต้องพยายามนะอย่าพยายามทําให้เป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาตินะให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้ววันหนึ่งมันเป็น มีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่อิสระมันเราถูกเราถูกอะไรบังอย่าถูกควบคุมนะเหมือนติดคุกอยู่นะนี่แหละหลวงพ่อสมัยภาวนาก็รู้สึกอย่างนั้นเลยเลยนิ่งนอนใจไม่ได้ยังทุกข์อยู่ยังติดยังคล้องอยู่ไปดูต่อไปแล้วถ้าฟุ้งก็ทําความสงบไประยะระยะนะดีภาวนาใช้ได้นามสการหลวงพ่อครับเออว่าไงเออขมมีคําถามก่อนที่จะส่งการบ้าง เราเราจะรู้ได้ไงครับว่ า, อาตอนนี้มีโ ม, โมหะกับเพ่งแบบที่เราปฏิบัติแล้วแต่ไม่รู้สึกตัวแต่ว่าคือถ้าถ้าเพ่งนะใจจะแน่นๆ่นมันจะแน่นแ่นหนักๆนักนะตันั้นเพ่งแน่นอนส่วนโมหะนี่เป็นตัวที่ทำให้เราไม่รู้สภาวะโมหะส่วนใหญ่ใจจะฟุ้งฟุ้งเผลอเผลอไปนะลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไหร่ลืมเนื้อลืมตัวมีโมหะแน่แน่เลย แล้วธรรมวิจัยนี่คือการรู้หรือการคิดวิวจัยครับรู้สิมีสตินะเริ่มต้นจากสติใช่ไหมถึงไปทำวิจัยไม่ใช่เริ่มจากวิตกไม่ใช่ให้คิดเอานะธรรมวิจัยยะก็คือมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนักวิจัยจะ ต, ต้องไม่เข้าไปคลุกวงในนะไม่แผลไปอินเป็นคแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการณ์วิศ์ o b s e r v e ะนั้นนะใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ใจเป็นนักสังเกตการ สติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายใจเป็นคนดูเป็นผู้สังเกตการไม่แทรกแซงก็จะเห็นความจริงนั่นแหละรรมาวิจัยแล้วมีธรรมะอะไรที่สามารถทำให้อานาปนสติสติปัฏฐานแล้วก็มรรคแปดโพธิโพธิปัติธรรมสมบูรณ์โดยครบถ้วนปลริยัตธรรมโพธิโพธิขัปิอ๋อโพธิปัก โปรติปักธียธรรม จ, จะสมบูรณ์ก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี้แหละรักษาสี่5ไว้นะแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวดูธาตุดูขันธ์ทำงานไปแล้วมันจะสมบูรณ์รวมถึงมรรคด้วยใช่ไหมใช่<อ>มรรคมีองค์8ดมรรคมีหนึ่งมีองค์ประกอบ8ตัวนี้ลึกซึ้งนะมันรวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันโดยไม่เจตนาจะรวม รวมได้อำนาจของสัมมาสมาธิที่เป็นอันตโนมัตินะเพราะฉนั้นถ้าจิตไม่ถึงฐานจริงคือจิตไม่มีสมาธิที่ดีจริงนะยังไม่มีทางจะเกิดอริยมรรคเลยงานจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเรื่องสำคัญนะเรื่องขอขาดบาดตายเลยเอาไว้ทํำวิปัสสนาก็ได้ตอนเกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตก็ต้องถึงฐานด้วยนะแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าถึงฐานนะให้รู้ว่าสงสัยไปก่อนก็แล้วกันนะมันจะสงสัยไปเรื่อยๆนะ จิตถึงฐานเนื้อจิตใจมันอยู่กันเน้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปนะพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้อย่างขณะนี้ยเพ่งแล้วรู้สึกไหมแน่นมีน้ําหนักขึ้นมาอย่างเนี้ยเพ่งนะให้รู้ไม่ได้ให้เพ่งใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ฝึกงนี้นะที่ทำเอาอไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่คิดมากไปหน่อยอ่ะอันนี้เออผมยังไม่จบหรือส่งการบ้านครับ หายังไม่ส่งเหยื่อเนี้ย <c ười> อ้าวว่า ม, มาครับก็คืออ่าที่หลวงพ่อให้ไปดูสุขทุกข์แล้วก็อ่าความปรุงแต่งครับผมก็ดูดูแล้วก็ทางนี้ทํางานนะครับมันดูยากมากแล้วไม่ได้เวลาทํางานที่คิดนะดูไม่ได้หรอกดูแต่ความสุขทุกข์มันเกิดแล้วค่อยรู้เอาเนะวลาที่จดจ่อกับงานเนี้ยสติสมาธิปัญญาไปอยู่กับงาน มันไม่ได้รู้กายรู้ใจเพนั้มันรู้ไม่ได้แต่เวลาที่ไม่ได้คิดเรื่องงานก็ค่อยรู้เอานะขอบคุณมากคนระับกรรมน้ำส ก, การหลวงพ่ อ, อว้าวมาตื่นเต้นตื่นเต้นธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อตื่นเต้นหรือรู้ความรู้สึกของตัวเองไหมรู้ไหม<ต>อย่างขนาดเนี้นะจิตอารมณ์มันคลุกกันไหม แล้วก็รู้ทันถ้าอารมณ์ครอบงามจิตเราก็รู้ทันนะจิตมีกําลังเด่นดวงขึ้นมาอารมณ์แยกออกไปเราก็รู้ทันนะหัดรู้สภาวะอย่างที่กำลังเป็นอย่างนี้รู้ซึ่ ง, ซ, งซึ่งหน้าไปเรื่อยอยากรู้ว่าทำในรูปแบบถูกต้องยังอย่ า, ยาบังคับตัวเองก็แล้วกันนะขณะนี้ใจมันตื่นหรื อ, อยังดูออกไหมเดี๋ยวใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนะียไม่เหมือนกันดูออกไหมอันนี้ เริ่มเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นควละอันกันนะทำได้แล้วนี่ก็ทำมาถูกแล้วแต่อย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนะเวลานั่งสมาธิรู้สึกเป็นง่วงก็เดินเอาเออนะอย่าให้นั่งแล้วง่วงนั่งแล้วง่วงไม่ดีอันตรายมากเลยคออาจจะเครียดได้ <c oughs> <c oughs> ให้นอน <c oughs> หายง่วงแล้วนะลุกขึ้นมาภ <c> า <oughs> วนาต่อ ถ้งงาง่วงจริงๆก็นอนแต่ถ้าขี้เกียจนะลุกขึ้นเดินก <_ an> <_ an> ็มีมีมีโรคประจำตัวเป็นโรคลำชักอะค่<ล>ะดูนะร่างกายก็ส่วนกายนะ <_ an> ใจก็ส่วนใจร่างกายป่วยก็ให้หมอมรักษาไปทานยาอยู่อะค่ะแล้ว <_ an> ก็บางทีเหมือนได้ยินคนมาพูดที่ข้างหูอะค่ะ เวลาได้ยินอะไรนะเกิดนิมิตอะไรเนะี่ยย้อนมารู้ทันใจได้ยินเสียงคนมาพูดแล้วใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยใจเราลำคาญรู้ว่าลำคาญใจเรากลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะจะตามองเห็นจะหูได้ยิน อ, อะไรก็ตามเถอะให้รู้ทันอยู่ที่ใจอันเดียวเลยเพราะนั่นจะหายไปคื อ, ค, อคือเรารู้มันก็อ๋อหายหายไปแล้วอยากทราบว่ามันจริงหรือหลอกเนี่ยหลอก <c oughs> <c oughs> นันเกี่ยวกับโลกจำตัวด้วยเปล่าใช่งั้นให้คอยรู้ทันใจไว้นะแล้วมีโอกาสหายไหมโอ้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกในโลกเนี้ยคนเป็นมะเร็งยังไม่มีใครแพ้มะเร็งนะถ้าบางคนเป็นมะเร็งตายพร้อมกันมันไม่เที่ยงหรอกอย่าไปกลัวมันนะแล้วมีเพื่อนที่ทำงานเขาไม่ถูกกันเนี่ยชอบพูดจาอะไร ว่าเราเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเราต้องทอําใจยังไงเรารู้ทันใจที่ไม่ชอบไม่ต้องทําใจว่าฉันต้องเฉยท่านต้องดีนะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่แสดงออกทางกายวาจ า, าเท้แต่ทางใจนี่ไม่ขมไหมรู้อย่างที่มันเป็นถ้าขมเราเครียดนะเกลียดอีนางคนเนี้ยก็รู้ว่าเกลียดไม่ใช่เกลียดอีนางคนเนี้ดีกับเขานะเขาดีนะจงดีกับเขานะอย่งเ้ยเครียดตายเลย ให้คนอื่นบ้างนะเดี๋ยวไม่ทันขอบคุณค่ะเอา ย, อย่อๆหน่อยนะโยมสองสาคนนี่ยาวมากเลยค่ะนวมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้จิตใจเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะคะคำถามของหนูคือเนื่องจากเป็นคนฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะก็คือถึงออสมมุติว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งแล้ว ม, มีสมาธิแล้วมันก็จะแวบกลับมาตรงๆง ตรงลมหายใจ ห, หรือมีแสงสวางก็กลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้ถือว่าต้องตามไปอยู่กับสมาธิหรือแสไม่ไม่คือเราก็รู้ลมหายใจไปสิใจมันชอบลมหายใจแต่เราปรับนิดนึงแทนที่จะไปรู้ลมหายใจนะเรามารู้ร่างกายที่หายใจนะเห็นร่างกายกําลังหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายพยักหน้ายอย่างเงี้ยเห็นร่างกายหายใจฝึกนี้เรื่อยๆค่ะค <c oughs> ่ะแต่ว่าก็ถือว่ายังฝึกสมาธิคือมันไม่ต้อง ไม่ต้องนิ่งลงไปตามที่ที่มันมีก้อนๆนี่นิ่งๆที่เราไม่ไม่อย่าไปตามมันไปให้นั่นสมาธิออกนอกออกก็คืออยู่อย่างนี้ถูกถือว่าตัวนี่แหละวิ่งวิ่งไปไปมามาถือว่าทําสมาธิเวลาสมาธิมีสองอันนะอารมณูปนิชานเนี่ยไหลตามอารมณ์แล้วไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เข้าฌาน1 2ึ่งสองได้ลักขณูปนิชานเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนี่แหละอยู่กับฐานนี่แหละเข้าฌานหนึ่5 6 7 8ได้ ก็คือรู้ว่ามันดูมันหายใจแค่นั้นก็พอเออเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายๆนี่แหละคขอบคุณค่ะใจจะได้อยู่กับตัวทําสมาธิน่งควรจะเลือกสมาธิที่เกี่ยวกับกายกับใจอย่าไปเลือกสมาธิที่เกินกายเกินใจออกไปเพราะงั้นมันจะต่อขึ้นเดินปัญญายากเพราะบางทีมันก็อยากรู้ว่ามันออกไปไหนอยากจะตามออกไไม่มีที่สุดไม่มีใช่ไหมก็คืออยู่กับมาอยู่กับที่ตอนหลวงพ่อเด็กๆนะออกไปเที่ยวนะไปไกลๆนะไม่มีที่สุดหรอก แล้วแต่จิต จ, จะร้อนเอางั้นก็ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็ทำต่อไปต้องมา<ป>อยู่ที่ตัวเองถึงจะถูกนะออกไปข้างนอกไม่ถูกขอบคุณค่ะกลับมามาสร ก, การหลวงพ่อคะ่ะปกติร้ายไหมร้ายมากคะ่ะเออนะเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยนะเราจะมีปัญหาอะไรนะ อ, อ่มีคําถามเดียวคะ่ะว่าอารมณ์ของพระสสดาบาลกับปุถุชนเนี่ยต่างกันยังไงาอารมเวละ ไม่ว่าอารมณ์ของใครก็เหมือนกันนะที่ไม่เหมือนคือจิตต่างหากนะค่ะคือเข้าไปเห็นว่าตัวตนไม่มีกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราแต่ถ้าเห็นจริงๆทำไมมันยังยึงยดนะคะทำไมยังรู้สึกว่ามันอย่างนี้ไงมันคล้ายๆคนคนหนึ่งนะไปยืมแหวนเพชรชาวบ้านเขามาใช้แหวนเนี้สยสวยๆนะยืมเขามาสาว่ยืมมาจากพี่น้องเรานยะรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่เขามาทวงคืนเนะี่ยไม่อยากคืน เพราะมันเป็นแหวนเพชรชั้นดีไม่อยากให้เราเองไม่มีปัญญาเราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเราหยืมโลกมาใช้แต่เราไม่ยอมคืนรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราพระโสดาเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ไม่คืนเพราะอะไรเพราะยังคิดว่ามันเป็นของดีวันใดที่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นั่นแหละมันถึงจะคืนออหนูขอกราบถวายการบ้านหลวงพ่อนะคะมเรื่อง 1. คืออย่าให้อารมณ์ครอบงาจิต hmm. สองที่รู้สึกอย่างนี้เพราะไม่เป็นกลางกับสภาวะไหลเข้าไปจม hmm. อ่แล้วข้อสามคื อ, อตรงเนี้ยทุกคนที่เห็นว่าตัวไม่ใช่ตัวเองเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเห็นว่าใจไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมันยอมรับไม่ได้อ hmm. ย่างตอนนั้นคือเห็นนี่คือหนูซึมเศร้าไปเลยคือแบบ hmm. มันรับไม่ได้แล้วมีมมคำถามว่าคนประเภทไหนกันที่รับได้ว่า ตัวไม่มีแล้วก็ใจก็ไม่ใช่ของเราคือตรงที่ภาวนานะก่อนจะได้โสดาก็เห็นแล้วอันเนี้ยใจยอมรับได้แล้วสามเดือนแรกที่ฟังซีดีหลวงพ่อนี่คือเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราตอนแปลงแต่มันยังรับไม่ได้ว่าจะทุกข์นะยังค่ะแล้วไปดูอีกไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ค่ะนะรู้ตัวนี้นะค่ะใจใจยังไม่เป็นกลางค่ะยังไม่ยอมรับ ไม่ต้องไปบังคับให้มันรับนะเหมือนจะทาค่ะนั่นแหละอย่าไปบังคับมันเราเป็นคนขี้โมโหอยู่แล้วเราก็จะเป็นโมโหใจตัวเองเองว่ามันโง่เหลือเกินถูกค่ะหลงพ่อรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหายโง่สักทีเอาน่าอย่าไปด่ามันนะใจนั่นแหละของดีประจำตัวไปด่ามันทุกวันนะไปแช่งมันไม่ดีตอนที่ไปทอดผ้าป่าค่ะคือไปปักปัจจัยอะค่ะที่ ที่พ่อป่าคือเห็นว่าใจมันเข้าไปปักเเออแล้วเนี่ยคือเพราว่าปักใจว่าตัวมันแวบขึ้นมาแวบเดียวว่าตัวตนเนี่ยเป็นๆอย่างนี้คือเข้าไปปักใจเชื่อใช่เหตุไม่ว่าไม่ว่าทําอะไรนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะมันก็ซ่อนตัวตนอยู่ใช่ค่ะเออให้รู้ทันนะห้ามไม่ได้เวลาคนชมเนี่ยตัวจะพองเลยคือแบบยกเหมือนมีเห็นตัวตนชัดนะคะเอออย่างนั้นแหละไปดูต่อค่ะ <อ>ให้หนค น, <ห>น อ, อื่นบ้างนะสาธุค่ะโอ้ยวันนี้ทําไมมันยาวมากแต่ละคนกล่าว <c oughs> นมัส ก, การหลวงพ่อนะครับผมฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ4ี่เดือนนะครับตอนนี้ก็ฝึกมีสติในชีวิตประจําวันอยู่นะฮะจิตไหลไปก็พยายามให้รู้นะครับแต่ก็ยังหลงอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่จะเรียนถามหลวงพ่อคือก่อนมาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยผมปฏิบัติอาณาปานสตินะครับก็พอนั่งสมาธิไปแล้วจิตมันสงบนะฮะ ก็จะรู้สึกตัวสั่นแล้วก็จะมีความสุขแล้วจิตมันก็เหมือนถูกดูดเข้าไปแล้วไปนิ่งว่าง อ, อยู่ที่นึงครับจิตมันรวมครับแล้วรู้สึกสุขสบายมากเลยอ่ะนะครับแล้วในช่วงนั้นพอดีมาฟังซีดีหลวงพ่อก็คือผ ม, มอยากฝึกวิปัสสนาปรากฏว่าหลวงพ่อบอกอันนั้นก็คือมันน่าจะเป็นสมถะแล้วก็เออมันไม่เห็นจิตปรุงแต่งนะฮะนั่งไปนานก็ไม่เห็นนั่งส0บ0มนาทีก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นนะครับก็พอดี มาได้มีโอกาสถามผู้ปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วเขาแนะนําว่าอันเนี้ยเป็นการติดว่างนะฮะก็ให้ดูลงไปตรงๆงเหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าให้จิตผู้รู้ดูจิตปุงตังกันนะครับผมก็กลับไปปฏิบัติไปดูมันมตรงๆรงพอมันเกิดผมก็ดูมันตรงๆมันก็ถอยออกมารมเริ่มรู้สึกตัวขึ้นนะฮะตอนนี้ที่จะถามหลวงพ่อคืออาการติดว่างของผมเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับไม่ไม่ได้ติดว่างแลนะครับเรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยนะนะ เห็นแม้ไก่ก็ไม่ใช่เราครับทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะดีชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราเหลือจิตเป็นเราอยู่อันเดียวค่อยๆดูไปจริงๆจิตก็ไม่ใช่เราหรอกเป็นการสัญญาเข้าไปหมายผิดว่าเป็นเราที่ว่าสัญญาวิปลาสพอไปหมายผิดว่าเป็นเราก็คิดผิดว่ามีเราเรียกว่าจิตตาวิปลาสแล้วก็เลยเกิดความเห็นผิดว่ามีเราเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสจริงๆไม่มีเรา ตัวเราไม่มีดูไปด้วยนะทำถูกแล้วล่ะสมาธิหรือสมถะเนี่ยไม่ทิ้งนะทถ้าไม่ทำเนี่ยนานไปจิตจะฟุง้งหลพ่อเคยพลาดหลวงพ่อนั่งสมาธิธรรมนาปัฏฐสติ22ปีไม่เจริญได้แต่สมาธิพอมาเจอหลวงพู่ดูลท่านให้ดูจิตมันพัฒนารวดๆเลยเลยรู้สึกดูถูกสมถะไม่ทำน ะ, นะพอไม่ทำอยู่ได้สองปีเพื่อน่ะสมาธิเสื่อม ทีว่าดูจิตดูจิตเนี่ยดูไม่ถึงจิตแล้วจิตมันไหลออกข้างนอกไปมันไปว่างอยู่ข้างนอกนะนั่นต้องทําความสงบนะให้ใจถึงฐานจริงๆครับนะสมาธิที่ผมไปว่างนี่เป็นอารามณูปนิชานหรือเปล่าครับใช่ใชครับผม<ช>แล้วถ้าผมจะต้องการฝึกให้เป็นลักคนูปนิชานเพื่อจเจริญปัญญาขอคําชี้แนะหลวงพ่อด้วยครับลัคนูปนิชานเนี่ยนะใช้ทําสมถาก็ได้นะใช้เดินปัญญาก็ได้เวลาเกิดอริยมรรยผลก็ใช้ลักคนูปนิชาน นะเวลาทำพระรัสมาบัติอย่างเป็นพระญะบุคคลจะทําสมาธิก็ใช้ลักขณูปนิชฌานได้งั้นเราพยายามรู้สึกนะหายใจไปแทนที่จะไปจ้องลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจไปได้ใจเราเป็นแค่คนดูนะแล้วถ้าใจไหลไปเรารู้เนี่ยจะได้ลักขณูปนิชฌานตรงลักขณูปนิชฌานเนี่ยตรงที่รู้ทันใจที่ไหลเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นอันะนี้แหละจะได้ตรงเนี้ส่วนที่จะสงบลึกแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าทํำยังไงนะ คือตอนนี้พอผมจิตมันถอยออกมาสักครู่นะฮะเห็นจิตปรุงแต่งบ้างแต่ยังเห็นไม่เยอะนะฮะแล้วสักครู่มันก็กลับเข้าไปเคลื่อนเข้าไปนิ่งว่างอีกให้รู้ให้รู้นะเข้าไปก็เข้าเองเข้าเองอถอยออกมาก็ถอยเองอดูเข้าทํางานเองนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญาเนี่ยไม่เจริญยีบสีชั่วโมงนะแล้วไม่มีใครหรอกที่เจริญปัญญารวดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตมันจะเข้าไปทําสมถะสลับกับเดินปัญญาอย่างนี้ตลอดเวลาเลย แล้วส่วนใหญ่จะเป็นสมถะส่วนใหญ่เห็นรูปนามนานๆจะเห็นไตรลักษณ์นานๆจะมีวิปัสสนาทีหนึ่งครับถ้าถ้าเห็นไตรลักษณ์นี่เราจะเห็นยังไงครับหลวงพ่อแล้วแต่ตรแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกบางคนได้เห็นอันนี้จังบางคนทุกขังอนัตตานะก็ขอคำชี้แนะหลวงพ่อที่จะเป็นวัดต่อทําถูกแล้วล่ะทำได้ดีแล้วนะอย่าใจร้อนเท่านั้นอย่าโลภนะกลาวขอบคุณ อ่ะมรศการครับคืออ่านอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาได้หลายปีมาแล้ว8ปดเก้าปีครับแต่เพิ่งเพิ่งทำในรูปแบบก็ประมาณปีกว่ากว่าครับรู้สึกได้เต็มที่ก็แค่รู้สึกตัวไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ย ร, รู้สึกตัวสังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วไม่มไม่รู้สึกครับ ดูเห็นร่างกายไหมร่างกายกับใจเป็นคนละอันรู้สึกไหมอันนี้อ๋อเห็นบ้างครับฉ้างั้นถนัดดู ก, กายก็ดู ก, กายนะก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันยืนมันขับถ่ายมันอาบน้ํามันแต่งตัวใจเราเป็นคนดูเรื่อยๆไปนะก็ใจมันก็จะชัดเจนขึ้นมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วจิตใจนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะรู้สึกไหมใจเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เห็นได้บ้างครับ ดูไายเยอะๆไปแล้วมาถูกทางแล้วใช่ไหมถูกมาได้ดีนะแต่ว่าปัญญารู้สึกไม่ไม่เคยรู้สึกว่าเกิดปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันก็เห็นได้บ้างนั่นแหละปัญญาปัญญาตัวที่หนึ่งเลยนะเรื่องนามรูปปฏิเฉทะยานรูปนามแยกจากกันกายก็อันหนึ่งใจก็อันนึ่งนั่นก็ปัญญานะไม่เห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายไม่ใช่เรา นี่ก <weet Smash and cookies> ็เป็นปัญญาอีกนะเริ่มถอนความเห็นผิดเมื่อมีเราใจรักอะไรเงี้ยครับนั่นแหละใจรักไม่ต้องมีคําพูดหรอกเห็นไหมร่างกายมันถูกรู้อยู่เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นั้ก็เริ่มเห็นใจรักละแต่มันไม่สรุปให้ฟังตานนึงก็เดินทางนี้ไปเรื่อยๆใช้ใดจิตไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหมล่ะไม่แน่ใจครับทีวิชเนี้ยผมฟังหลวงพ่อทีไล่ก็รู้สึกเครียดขึ้นมา เออเสร็จเพราะว่ามันอยากอยากรู้เรื่องเพราะว่าถ้าหลวงพ่อพูดขี้เว่ร์นี้ทีเราจะจะรู้สึกว่าคนที่ภาวนาคนน้นมาถูกทางแล้วผมผมย้อนมาดูตัวเองก็มันก็เหมือนเดิมรู้สึกก็เหมือนเดิมโง่เหมือนเดิมโง่ดีแล้วล่ะถ้าไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะสอนยังไงโงโง่นี่แหละเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆนะ เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายกินข้าวเห็นร่างกายขับถ่ายดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆปอย่างนี้ให้มากนะแล้วค่อยมาเรียนต่อผมเน้นดูกายใช่ไหมครัดูกายดูจิตได้ไม่ชัดดูกายการอุมิศการหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งได้ฟังซีหลวงพ่อมาสักสองสามเดือนครับแล้วก็เรื่องปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิครับแล้วก็เหมือนกับดู ดูดูไปว่าอารมณ์ที่มากระทบเราอะครับอืก็ดูดูระยะหนึ่งครับในไอ้แรกๆมันก็มืนกับมันกับพอมีใครด่าเงี้ยก็มันกับเก็บไว้อะครับเมื่อทำอยากอยากให้ดีอะครับอืมแต่พอสักพักมันก็ระเบิดครับโอ้นี่เก็บมากก็ระเบิดแรงครับเนี่ยถ้าเราถูกด่านะใจเราไม่ชอบใจเราโกรธรู้ว่าโกรธคือรู้เฉยๆใช่ไหมครับแล้วรู้เฉยๆจะไปห้ามมันเราไม่ไม่ให้ไปทําผิดทางกายทางวาจาเท่านั้นแหละแต่ทางใจนี่ไม่เก็บกดนะ ครับทางใจอยู่ๆมันโมโหขึ้นมามันอยากด่าหลวงพ่อเพราะเรารู้ว่ามันด่าไม่เป็นไรครับมีมีบาปเหมือนกันนะแต่ว่าบาปนิดหน่อยเพราะว่าจิตมันด่าเองเราไม่ได้ด่าขาดเจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยแต่ตรงที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตทำงานได้เองเนี่ยเป็นบุญอันใหญ่คล้ายๆมีบุญแค่นี้มีบาปแค่นี้นะก็อย่าทำบาปบ่อยก็แล้วกันเสือไม่ยยใหญ่หญ่คร<บ>ับ ห้ามมันได้ที่ไหนอย่าไปกดจิตนะมันเป็นยังไงมันดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่ว่าไม่ให้ทำผิดทางกายวาจาไม่ผิดศีลเท่านั้นแหละกลับนมัสการกับหลวงพ่ออืมเป็นไงพอนาเป็นไงบ้างฝึกดูจิตนะคะอืมเห็นไหมเห็นค่ะเห็นจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูออกไหมดูกค่ะเออเห็นไหมมันเราสั่งมันไม่ได้ มันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์สั่งไม่ได้เห็นไหมอยากสั่งมันอยากบังคับมันเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตดีจิตชั่วจิตสุขิตทุกข์นะปัญหาอยู่ที่ว่าอยากแทรกแสงมันงั้นให้รู้ทันต่อไปก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะไม่ไปแทรกแสงพอดูจิตแล้วมาดูกายนี่ถูกต้องไหมคะได้มันจะรู้เองต่อไปนะจะนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างรู้เลย ใจนี่เรื่องง่ายแต่บางคนดูจิตไม่ได้ต้องดูกายนะต้องดูกายอ่ะต่อไปกลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อช่วงนี้คือหนูรู้สึกเสียใจก่อร้องไห้ออหนูก็ดูไว้นี่หนู <c oughs> ดูด<ๆ>หนูรู้สึกตรงๆเลยนะความเสียใจเศร้าโศกเนี่ยครอบงําจิตดูตออกไหมค่ะ <c oughs> ให้หนูรู้เข้าไปตรงๆไม่ต้องไปแก้มันนะ รู้ว่าความเศร้าโศกครอบงําจิตดูเขารู้สึกเฉยเฉยอะเนี่ยไมันจะกระเด็นออกไปจากจิตเราเพรามันจะไปอยู่ข้างนอกนอยากขอให้หลวงพ่อช่วยพาดูจิตตั้งมั่นหน่อยได้ไหมคะอย่างตอนนี้ จ, จิตวิ่งมาหาหลวงพ่อรู้สึกไหมค่ะหนูไม่ต้องไม่ต้องให้หลวงพ่อพาดูหนูดูเป็นอยู่แล้วจิตตั้งมั่ น, ะน่ ะ, ะเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกหรอก ถ้าเรารู้จักจิตที่ไหลไปเราก็จะรู้จักจิตที่ตั้งมัน่นนะจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะถ้าบังคับไว้ไม่ใช่เป็นตั้งมั่นปลอมอย่างนี้ยตั้งมั่นปลอมจะแน่นถ้าตั้งมั่นปลอมมันจะแน่นนะอย่าไปทําจิตให้เบลอบลอยิ้มหวานก่อนหันไปยิ้มกับคนข้างหลังนะ เอออย่าให้ความเศร้าโศกครับจิตได้น ะ, <ค>ะอย่าปล่อยมันเราไปยอมมันเอง <คะ S 1> อ่ะต่อไปเห็นว่ามันทํางานได้เองะคะ่ะ เ, เห็นทุกต่อยังไม่เห็นว่ามันแบบร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรนะหลวงพ่อ บ, บอกว่าให้ดูว่ามันร้ายไม่ไม่ใช่ให้ดูว่าร้ายเราก็ดูมันทํางานไปนี่แหละเดี๋ยววันหลังก็เห็นโอ้โหเหล่านี้ร้ายกว่าที่เราคิดค่ะแค่นี้นะคะเออแค่นั้นแหละไม่ใช่ไปดูให้มันร้ายนะ ใครยไปสอนกรรมฐานให้พอนานแล้วร้ายขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> มันร้ายอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นมันคิว่ากูดีกูดีอย่างเงี้ยดูไปดูไปุยหนังนี่ร้ายนะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูปฏิบัติในรูปแบบมา18วันแล้วค่ะก็รู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตอะคะ่ะกี่วันนะ18ดค่ะ ใ, <ช>ในรูปแบบรู้สึกไหมจิตมันจะมีกำลังขึ้น รู้สึกค่ะออรู้สึกว่ามันเย็นเย็นสบายสบายใจเวลาออทำอะไรแต่มันเป็นแค่แผ่วๆบางๆนะคะใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะหัดใหม่ๆจะมีแต่ความสุขเพราะจิตมันทรงสมาธิอยู่แต่พอถึงขั้นเดินปัญญาต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์น ะ, ะไม่ต้องตกใจค่ะก็เมื่อก่อนตอนที่หนูไม่ได้ปฏิบัติติดต่อกันอะ่ะเวลาหนูเผลอไปแล้วเวลากลับมารู้สึกตัว มันจะมีจิตที่แบบเศร้าๆติดกลับมาด้วยค่ะแต่พอปัจจุบันนี้หลังจากที่ปฏิบัติธรรมติดต่อกันพอกลับมารู้สึกมันก็จะรู้สึกเออเย็นสบายไม่ไม่รู้สึกหนักๆอึดอะะัดไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่ากุบกุดจับความรล่าร้อนใจราคาญใจแล้วเราไม่ได้พอนานะมันฟุ้งไปฟุ้งไปนะรู้ขึ้นมาแล้วมันมีกุกกุดจับค่ ะ, ะแล้วหนูพอจะตั้งมั่นและเป็นกลางได้มั่งแมมคะตั้งมันนะ่นอ่ะตั้งอยู่หรอกจะเป็นกลางหรือเปล่าเป็นขาวขาว ไม่มีใครเป็นกลางตลอดหรอกค่ะหนูก็ทําถูกแล้วใช่ไหมคะถูกเห็นไหมแค่ทํา18วันได้แรงทั้งเยอะแล้วค่ะไปทํำอีกนะถ้าทําได้30สวันแรงก็ตกอา้าวไม่ได้แกล้งว่านะามันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูนะมันจะไม่เจริญรวดเดียวหรอกถ้าเราพาวนาแล้วเจริญรวดเดียวเราจะเกิดความเห็นผิดนะว่ากูเก่งกูเก่งแต่ทั้งทั้ง ท, ที่ทําทุกวันเหมือนกันนะ จเจริญอยู่ช่วงหนึ่งก็ดรอปลงมาเสื่อมลงมานะเป็นปกตินะเราก็ทำไปจเจริญก็ปฏิบัติเสื่อมก็ปฏิบัตินะค่ะหนูจะพยายามปฏิบัติในรูปแบบให้ได้ทุกวันนะเออแล้วอยู่ข้างนอกนี่ก็จเจริญสตินะในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดแล้วรู้เอาค่านะค่ะกลาบขอบคุณหลวงพ่อค่ะวันทาได้ขนาดนี้เก่ง จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่แห่งนี้นะครับกล่าวคําถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลลนานเทินเหยาถาวารีวหาปุราปริปุเรนตีสาคารัง เอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัะปติอิชิตังปะิตังทุมหังคิประเมวะสมิจตุสเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชชันตตสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะ อภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจ ต, ตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธุไปสำรวจตัวเองนะความไม่ดีอะไรมีอยู่เพราะอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะรู้ทางเอาตัวรอดนะ